เดียวก่อนก็ไดนะ้จะรีบไปหรือเปล่าเออไม่รีบฟังธรรมะ ก, ก่อนธรรมะ ม, มีหลายหลายขั้นตอนหลายระดับนะไม่เวลาเราคุยธรรมะ ก, กันหรือเราฟังคนคุยธรรมะเราต้องรู้ว่าเขาคุยระดับตรงไหนแล้วนะนะธรรมะแต่ละระดับเนี่ยบางทีฟังเผลอเผลอแล้วขัดแย้งกันเพราะนั้หาเรื่องทะเลาะ ก, กันได้เรื่อยๆนะ <laughs> พวกสนธนาธรรม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 คนมันร้อยพ่อผ่านแม่นะแต่ถ้าสนใจศึกษาธรรมะเพื่อจะลดละกิเลสของตัวเองให้จิตใจเข้าถึงความสุขความสงบเนี่ยนี่มันไม่ยากอะไระธรรมะไม่ใช่เรื่องเอาไว้กุยเล่นๆธรรมะเป็นเรื่องที่ต้องเอามาประพฤติปฏิบัติจริงๆบางคนท่องศีลห้าได้แล้วทาไม่ได้สักข้ อ, อนป่วยการหรือพระเป็นพระท่องปาติโมกได้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 พระพุทธเจ้าสอนอาเสวนาจะพาลานางังไม่คบคนพานบันทิตานันจะเซวนาครบบัณฑิตอย่างนี้ถ้าพูดเรื่องไม่ครบคนพานคบบัณฑิตนะก็เริ่มเถียงได้ก็ไม่มีคนต่างหากละต <c oughs> ปโน้นซอีกนะนี่อะไรเป็นลักษณะที่ว่าคนไหนเราควรครบคนไหนเราไม่ควรครบก็ต้องรู้นะถ้าคนไหนเราไปครบด้วยแล้วอกุศลที่ไม่มีก็มีขึ้นมา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 ไปคุยกับคนนี้นะ่ะสติแตกกลับมาทุกทีเก็อย่าไปคุยกับเขาเนี่เราไปคุยกับใครแล้วสติเกิดล้วก็ไปกับคุยกับคนนั้นเนี่ยต้องเลือกนะต้องรู้จักฉลาดในการดํารงชีวิตเพราะว่าเราจะต้องภาวนานะพัฒนาตัวเองไปให้กูสนเนี่ยงอกงามมากขึ้นมากขึ้นให้อากูสนลดลงลดลงต้องพากเพียรเอา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 จิตใจก็ค่อยพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นแต่เดิมกิเลสเราเยอะมันเยอะทุกคนแหละนะเรามีกิเลสอยู่เราก็ค่อยมาดูของเราไว้เราจะเห็นเลยกิเลสมุนเวียนเปลี่ยนหน้า<ๆ>เข้ามาทํางานทั้งวันทั้งคืนถ้าเรารู้ทันมันครอบงําจิตไม่ได้นะอํานาจของกิเลสก็ค่อยๆ อ, อ, อ่อนกําลังลงเรียกว่าอนุใสมันลดลง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 หัดโกหกทีแรกนะใจสั่นเลยใช่ไหมอ่ใจสั่นเลยหน้าแดงความดันเพิ่มเนี่ยจนเขามีเครื่องวัดเขามีเครื่องจับเท็จโกหกจนเป็นอาจินชำน้ชานานหน้าไม่แดงใจไม่สัน่นยิ้มแยม้มเนี่ยเพราะว่าเคยชินที่จะทำชั่วยิ่งทำชั่วง่ายเนี่ยงั้นศาสนาพุทธนี่นะท่านจะประณีตมากเลยในการ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 ชีวิตที่ขาดธรรมะนะแห้งแล้งมีแต่ความเล้าร้อนอย่าประมาทนะนรกมีจริงๆนะไม่ใช่หลอกเด็กนร ก, กตกให้เห็นต่อหน้าต่อตานี่แหละไม่ต้องไปตกที่ไหนไกลนะเวลากิเลสเกิดดูสิใจมีความสุขหรือใจมีความทุกขนะ์ลนะ่ะเวลากิเลสเกิดเห็นไหมเล้าร้อนนรกทั้งเป็นเลย เวลากุศลเกิดร่มเย็นเป็นสุขรู้สึกไหมงั้นอย่าทาชั่วนะทำความดีแล้วทํากุศลให้ถึงพร้อมนี่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะสอนอย่างนี้นี่อุตสาหอ้างพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์เดียวด้วยนะพระพุทธเจ้าสอนทั้งหลายสอนอย่างนี้นะไม่ทําชั่วทําความดีทํากุศลให้ถึงพร้อมถามว่ากุศลให้ถึงพร้อมมีอะไรกนะุศลก็คืออะโรภาอะโทสาโมหะ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 ความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกันในยารังแก่กันใจก็ค่อยๆมีความรู้สึกเป็น ม, ม, มตรเมตตาทรต่อกันจิตใจก็ล่มเย็นเป็นสุขนะใครเข้าใกล้เรา เ, า, เ า, า, เาเขาก็มีความสุขไปด้วยเนี่ยยิ่งกว่าเมตตามห ah านิยมทั้งหลายอีกนะความเมตตาเนี้ยไปห้อยจตุคามก็ไม่ได้ช่วยให้มีเมตตานะ <laughs> ไม่ช่วยละราคาโทสะโมหะอะไรหรอกมีแต่เพิ่มราคาโทะาสะโมหะสี่ห้อยแล้วเฮงเนี้ย มีรุ่นโคตรมหาเศรษฐีโคตรของโคตรเศรษฐีนะนี่มันโลภะชัดๆเลยเก่งมหาเฮงเงตลอดกาลอะไรเงี้ยเนี่ยล้วนแต่โลภะทั้งนั้นเลยโลภะมากโทสะก็ต้องมากสิโทสะมันเป็นลูกของโลภะนี่แล้วทั้งหมดนั่นก็เป็นโมหะหลงนั่นแหละหลงคิดว่าสิ่งอื่นนอกเหนือจากกรรมของเราเนี่ยจะช่วยเราได้ ส่วนการจะละอโมหะนะทำได้ด้วยการภาวนาเท่านั้นจเจริญสติละโลภะทำด้วยทานได้นะละโทสะมีศีลไหมอย่างน้อยศีลกั้นไว้ไม่ทำชั่วก็จเจริญเมตตาไปโทสะก็ลดลงละโมหานี่มีทางเดียวคอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองบ่อยๆถ้าเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจเมื่อนั้นมีโมหนะพวกเราสำรวจ เด้วยความซื่อตรงนะของเราลืมตัวเองวละกี่ครั้งวลาครั้งส่วนใหญ่ <c oughs> ไม่ใช่วลากี่ครั้งหรอวันลาครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับลืมตลอดครับนะภาวนาเก่งๆนะจะลืมตัวเองบ่อยชียิบเลยรู้สึกตัวขึ้นมาแวบเผลอแวบเผลอแวบเผลออย่างนี้ตลอดเลยพนอะรู้ไม่หลงนานไม่หลงนานไม่เผลอยาวสติเกิดไวขึ้นไวขึ้น รู้สึกถึงกายบ่อยๆรู้สึกถึงใจบ่อยๆเรื่อมีสติสติและพูดภาษาไทยเอาง่ายๆนะแต่ไทยง่ายๆรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจกายมันมีอยู่แล้วใจมันมีอยู่แล้วแต่ลืมมันต่างหากก็เลยขาดสตินะเพราะงั้นเรารึกถึงความมีอยู่ของกายเรา ล, ลึกถึงความมีอยู่ของใจไว้ต่อไปมันจะเกิดปัญญาวิธีทาให้เกิดปัญญาก็คือพอเรามีสติไม่ลืมกายไม่ลืมใจแล้ว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 จะต้องออกจากกามออกจากโลกแล้วไปศึกษาตัวเองเข้าเข้มงวดอย่างนี้นะแต่ถ้าใครหัวงอกเร็วหัวงอกแตกเกิดก็ <c oughs> ยกเว้นอย่างนี้ก็ยกเว้นนี่คงเกณฑ์เฉลี่ยคนทั่วๆไปแล้วพอมีลูกมีเต้าขึ้นมาจนหัวเริ่มงอกเริ่มสำรวมเริ่มระวังถือว่าความตายมาเตือนแล้วเทวทูตมาเตือนแล้วความแก่มาเตือน พอมาเตือนแล้วก็สำรวจตัวเองนะสมควรในการที่จะศึกษาตัวเองแนละ้วเขาไม่ประมาทศึกษาตัวเองจนเข้าใจแล้วทีนี้ช่วยเหลือผู้อื่นเห็น ไ, ไหมไม่ใช่เอาตัวรอดนะสุดท้ายก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นนี่เขาเรียกอาสมอาสมเสียลตอนเป็นเด็กเขาเรียกโรมอาจารย์โรมอาจารย์ก็คือศึกษาเรียนรู้วิชาการที่จะอยู่กับโลก ช่วงเวลาที่2เป็นครือหัดผู้ครองเรือ น, นเอาวิชาความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนแล้วมาทำมาหากิ น, นเลี้ยงครอบครัวอะไรต่อมาพอเริ่มแก่แลผมหงอกไม่ใช่แก่งากๆนะไม่ใช่หงอกแล้วไปย้อมไว้ก่อนเดี๋ยวงอกอีกทีย้อมอีกทีนะรวมความแล้วยังไม่ต้องศึกษาตัวเองเขาศึกษาตัวเองจนเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็มาช่วยเหลือคนอื่ น, นมาชี้ทางสว่างให้คนอื่น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 มีหน้าที่พัฒนาตัวเองและเขานับถือเองไม่ต้องโฆษณาชวนเชื่อแล้วฝรั่งมันจะเอาสิทธิต่อสู้ฟ้องร้องกันเก่งเดี๋ยวนี้เราก็พยายามเอาอย่างฝรั่งนะชักฟ้องกันเก่งนะ<ม>อย่างแต่ก่อนหมอรักษาโรคสงเดชคนตายนะคนบอกเป็นเวรเป็นกรรมไอ้ <c oughs> อย่างนี้ก็โง่ไปหน่อยนะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าต้องฟ้องอย่านงะี้ สังคมนิ่งเครียดขึ้นทุกวันนะเครียดทำมหาหากินอะไรยุ่งยากทุกวันต้องศึกษาธรรมะเราไม่ต้องรออย่างแขกนะไม่ใช่รอแกแ่เราศึกษาของเราไม่ใช่แขกนี่เราชาวพุทธชาวพุทธเนี่ยเรามีหน้านที่ศึกษาธรรมะตั้งแต่แรกเลยเท่าที่อายุน้อยที่สุดเท่าที่ทําได้ก็ต้องศึกษาธรรมะลนะ้เด็กก็ศึกษาธรรมะของเด็กนะผู้ใหญ่ผู้ครองเรือนก็ศึกษาธรรมะของผู้ครองเรือน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 คือร่างกายที่ยาวประมาณ1วา2เมตรหนาหนึ่งคืบกว้าง1ศอกอย่างหลวงพ่อก็ประมาณ2ศอกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ละคนมันก็เหลื่อมเหลือมบ้างนะไม่ใช่มีแต่ร่างกายนะสิ่งที่เรียกว่าโรคคือกายที่ยาววาหนาะคืบกว้างศอกมีสัญญาและใจคล่องมีความจำได้หมายรู้มีใจนะมีจิตใจมีความรู้สึกนึกคิด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 รู้โลกคือกายกับใจนี้แจมแจ้งรูปธรรมนามธรรมนี้แจ้งจนไม่ยึดถืออะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้ารู้โลกแจมแจ้งก็ไม่ยึดถือโลกนะหรือบางทีท่านก็เรียกขันห้าเป็นทุกข์กายกับใจนี้เป็นทุกข์กายกับใจเป็นทุกข์นนกหน้าที่ของเราก็รู้ทุกข์เห็นไหมเหมือนกันแหละแล้วรู้โลกแจมแจ้งหรือรู้ทุกข์แจมแจ้งก็อันเดียวกันนั่นแหละพอรู้แจมแจ้งจิตจะคลายความยึดถือกายยึดถือใจนี้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 ถ้าศึกษาแจ่มแจ้งวันหนึ่งแจ้งขึ้นเมื่อไร่มันคลายความยึดถือออกไปแล้วความทุกข์มันก็ลดลงลดลงเพราะกายกับใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะการที่เราต้องแบกหามกายแบกหามใจเอาไวน้นี่ก็คือแบกหามความทุกข์เอาไว้นั่นเองนะนต้องระมัดระวังนะต้องค่อยศึกษาอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไ ป, ไปโดยปล่าประโยชน์อย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อมนตรีชวนให้บวชนานไม่บวชอ่ะ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 พระพุทธเจ้านะเลี้ยงลูกพระหลานพระมาจนสองพันหร้กว่าปียังเลี้ยงได้อยู่เลยเพราะท่านมีคุณงามความดี mm hmm. ตั้งแต่หลวงพ่อบวชใหม่ๆนะเวลาไปบิณธบาตกลับมาฉันนี่นะโอ้จะรู้สึกซาบซึ้งพระพุทธเจ้ามากซาบซึ้งโห อ, อาหารทั้งหมดนี้เขาไม่ได้ให้เรานะญ mm hmm. าติโยมทั้งหลายเขาให้มานี่ mm hmm. เพราะเคารพพระพุทธเจ้าไม่ใช่เครารพกูนะไม่ใช่กูเก่งกูวิเศษนะอืม mm hmm. คนเข้ามากราบมาไหว้นะหลวงพ่อไม่เคยยื่นหน้าออกไปรับเลยนะที่ญาติโยมมากราบมาไหว้รู้ว่าเขากราบพระรัตนตรยัยไม่ใช่มากราบร่างกายที่ผูู๋๋พังพังอย่างนี้เนี่ยถ้าใจเรานะมันไม่น่าด้านมันไม่น่าด้านพอจะไปแย่งกุญแจความดีของพระพุทธเจ้าหรือของพระรัตนตรยัยอย่างโยมบางคนนะสงสัยหลวงพ่อนี่ยิ่งชะมัดเลยกราบเขาไม่ค่อยจะมอง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 แล้วทีน like ี้พอไปเห็นว่าพอเริ่มจะเห็นว่าแบบมันไม่ค่อยมีตัวเราอย่าเงี้ยครับมันจะรู้สึกว่าเอ้ยแบบอยากได้กับไม่อยากได้อย่าเงี้ยครับมันจะสลับสลับกันถ้าเกิดมันมีปัญญามันก็จะรู้สึกว่างๆเอ้ยมันไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าบางทีมันไม่ค่อยมีปัญญามันก็จะรู้สึกว่าอยากมีตัวเราเออมันอะไรอววรนะเหมือนบางคนอยากรักกรามนะอะไรอววรอย่างพงเชษ์อ่ะ พงเชษเคยอันก่อนที่มานะไปถามหลวงปู่เทศไปกับหลวงพ่อแหละหลวงปู่ผมอยากละ ก, กามแต่จิตยังอะไรอวบนอยู่หลวงปู่ร้องอ้าวร้องอย่างนี้เลยนะอ้าวแล้วมันจะละได้ยังไงของเราเหมือนกันนะเราอยากละเป็นความเป็นตัวเป็นตนแต่เราอะไรอวบนรู้สึกไหมให้เราคอยรู้มันทำไมอะไรอวบนมันรู้สึกว่ากามนี้ยังเป็นของดีอยู่ รูปเสียงกลิ่นรสพฐพะธรรมารมทั้งหลายที่เพลิดเพลินพอใจยังมีอยู่นะที่น่าเพลิดเพลิพลนพอใจยังมีอยู่แต่ถ้าสติปัญญามันแก่รอบขึ้นจริงๆมันจะเห็นเลยในโลกไม่เห็นมีอะไรเลยนะภาษาจีนบอกว่ามักขังขังตาว่างเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นมีอะไรฝนะึกไปนะฝึกไปมันเหมือนจะหลดไปนอกโลกอะ่ะ กว่าจะไอแรงหนีศูนย์เยอะกว่าไอาแรงดึงดูดไม่ใช่ง่ายนะแต่พราพอเราเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยของโลกมากเข้ามากเข้ารู้สึกไม่เห็นหน้าวิเศษวิโส ต, ตรงไหนเลยลาบยศสาระเสริญสุขแย่งกันแทบเป็นแทบตายเหนื่อยแทบแย่นะได้มาแล้วต้องคอยรักษาไว้อเงี้ยเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งทั้งหมดไป คล้ามาจากความว่างเปล่าแลว้วก็กลับไปสู่ความว่างเปล่ามากับความไม่มีอะไรกลับไปสู่ความไม่มีอะไรอีกนะมีติดตัวไปแค่บุญกับบาปเมื่อวานไปงานศพมีโยมไปเยอะเหมือนกันมีคุณดังตรินแล้วไปอาจารย์สุรวัตรหมอนัทอะไรพวกนี้ไปพวกพาอนาเก่งๆอีกประมาณ 60- 70บเจ็ดสิบคนะแล้วมีกกลุ่มหนึ่ง คนที่ไม่รู้เรื่องภาวนาเลยมานั่งรวมกันโอ๊ยธรรมะนี่นะพูดยากสุดๆเลยธรรมะมันกระโดดไปกระโดดมานะแว่งพอเราพูดธรรมะที่ถึงอกถึงใจประณภทนี้นะกลุ่มหนึ่งนะคือหาแม่สะใจอีกกลุ่มหนึ่ง <c oughs> เ, เราต้องเปลี่ยนธรรมะมาพอกลุ่มนี้ฟังรู้เรื่องนะอีกกลุ่มหนึ่งก็ออ <c oughs> <c oughs>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 ไปฟัง CD หลวงพ่อมี CD แจกให้ฟัง CD ไปอ่านหนังสือบ้างอ่านหนังสือเล่มง่ายๆเลยนะวิถีแห่งความรู้แจ้ง1เบอร์หนึ่งเรื่องที่1นึถ้าเข้าใจวิถีแห่งความรู้แจ้ง1เรื่องที่1นึ่งก็จะเข้าใจทั้งหมดล่ะเพาจริงๆวิถีแห่งความรู้แจ้งหนึเรื่องแดดเธอผู้มาใหม่พวกเราหลายคนมาใหม่ๆเราไปอ่านดู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 ซีดีหลวงพ่อไม่เหมือนของคนอื่นนะมไม่ใช่เหมือนตำราเรียนด้วยซีดีของหลวงพ่อวันไหนพวกเราภาวนาติดขัดนะไปเปิดฟังเถอะมีคําตอบทุกเรื่องเลยนะเจอแต่ถ้าภาวนายังไม่ถึงจุดนั้นนะถึงฟังก็เหมือนไม่ได้ยินอะ่ะมันไม่รู้เรื่องมันข้ามไปเลยรู้สึกไม่น่าสนใจงั้นค่อยๆนะค่อยๆ อ, นะ อ, อ, อ่านค่อยๆฟังไปถึงวันหนึ่งมไม่นานเท่าไหร่ถ้าไม่ดื้อนักนะ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 พูดกว้างๆไม่รู้จะใช้ศัพท์อะไรบางทีไปยืมศัพท์มหคตะนะฟังแล้วใหญ่ดีนะความจริงมหักตาเป็นเรื่องของจิตทรงฌานเท่านะั้นใหญ่ระดับฌานะนะถ้าศึกษาปริญัตมากขึ้นอ๋อเขามีชื่อเฉพาะเหมือนกันนะจิตพระรหันติว่ากว้างกว้างเนะี่ยชื่อวิมาริยาที่กัดนี่วันนี้ชักจะคล่องแล้วนะท่องตั้งหลายวันแนละ้วชื่อเรียกยากอะไรกัดกัดไม่รู้นะ <c oughs> ในตำราก็มีเหมือนกัน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 พอไปไปอยู่ๆแบบมันล้มละเนรนาฏไปหมดเลยมันก็กลัวนะคะแต่แบบก็พยายามจะตั้งอกตั้งใจดูอันแรกเลยรักษาศีลไว้ให้ดีอย่าให้ตัวเองนึกตําหนิตัวเองได้อย่าให้บางคนหน้าด้านนะตัวเองไม่ตําหนิตัวเองก็ต้องบอกว่าอย่าให้บัณฑิตตําหนิได้ด้วยแล้วก็ฝึกใจของเราไปหากเรื่องอยู่มาอันหนึงเช่นอยู่กับพุทโธก็ได้อะไรก็ได้ที่เราถนัด พออยู่กับเครื่องอยู่นั้นแล้วสักพักหนึ่งจิตใจสงบจิตใจสบายมีสติไปรู้ว่าสงบหรือว่าสบายเนี่ก็กลับขึ้นมาแล้วลองมนลองแล้วนะคะแบบพอมลสงบสติแป๊บหนึ่งคือไม่ถึงกับนั่งสมาธิพอปิดตาแป๊บหนึ่งก็สงบเพราะลืมตาออกมามันจะตั้งมั่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันไปอีกะคะ่ะแล้วกใครรู้อ่ะมันจะถี่มากะคะ่ะสวิงทั้งวันเลยเดี๋ยวมันรู้ดีเดี๋ยวหายให้ให้มอง<ป>ภาพรวมมัน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 ด้อยู่2เดือนนะมันก็เสื่อมหนักลงไปเรื่อยๆวันนึงหมดแรงดิ้นโอ้ทาอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ละไม่ทำมันละไม่ทำนะวันนี้ก็ดีดขึ้นมาเลยดีขึ้นมาอีกนะแล้วต่อไปก็เห็นอีกเดี๋ยวจเจริญเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวจเจริญเดี๋ยวก็เสื่อมเห็นอย่างนีนะ้ต่อมาปัญญาก็เกิดคือเกิดความเข้าใจทุกอย่างนี่เราบังคับไม่ได้พอเห็นว่าทุกอย่างบังคับไม่ได้ใจวางลงไป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 มันก็ใครเองมันจะบังคับมันก็บังคับของมันเองเนมันทำได้เองมันไม่ใช่ตัวเราเถ้ามองเป็น น, นะสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยสแสดงไตร ล, ลักษ์อยู่ตลอดเวลาแล้วนะสภาวะธรรมแสดงไตร ล, ลักษ์ตลอดเวลาแล้วไม่ใช่ไม่ไม่แสดงกนะ็เห็นแค่นั้นเหระเห็นแค่นั้นพอแล้วอย่ า, อ, าอะไรอย่าโลภมากนะภาวนาอย่าโลภมากนะแค่รู้สภาวะลงปัจจุบันไป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 มันก็ว่าแค่รู้อยู่เฉยๆแล้วมันก็จะไปบังคับไปปล่อยไปอยากไปอะไรก็คือมันก็ทำของมันไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งปัญญามันแจ้งเฮ้ยทำอะไรไม่ได้สักอย่างนะมันแจ้งขึ้นมาตรงนี้พอมันรู้ว่าทำอะไรไม่ได้สักอย่างมันจะวางแล้วมันจะเห็นมันทำงานไปนะใจมันอยู่ต่างหากแล้วสบายที่โยมหัดรู้แบบนี้นี่คือถูกถูกถูกต้องบ้างแล้วใช่คะขนานี้ไม่ถูกนะขณดจิตนี้ไม่ถูกดูออกไหม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 แล้วก็จากนั้นมาก็เห็นเวทนาหเห็นอารมณ์เหมือนแยกกันไปดูง่ายขึ้นลหมหายใจก็แบบลหมหายใจก็แยกออกไปง่ายขึ้นก็เลยแบบรู้สึกอ๋อนี่มันคือสัมมาสมาธิเอใจมันถอยออกมาคือใจมันจะตั้งมันม่นมันตั้งมั่นนะมันถอยออกมาเป็นคนดูแต่ตัวนี้เยอะไปนะตั้งแรงไปตั้งแรงไปเนะอ ตอนนี้ก็ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติดูออกไหมตอนนี้มันนิ่งนิ่งมันนิ่งเกินไปเออนั่นแหละดูเป็ดแล้วก็ก็ทีแรกก็นึกว่าไร้ญานแล้วแต่ว่าพอมาคือแต่ก่อนนี้มันจะอุดอัดหน้าอกใช่ไหมฮะพอหลังจากแบบมันถอนไปเนี่ยฮะสติมันก็ สบายไม่ต้องไม่ต้องพยายามตั้งลมหายใจก็สบายแล้วแบบเวทนาก็เห็นเหมือนแบบว่ามัน ม, มาเกาะจริงๆเลยอมันผ่านมาเกาะชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไปมันคนละตัวกับขาเออคนละตัวกันครับแล้วอีกอาหารก็หายไปแต่ว่าแต่ว่าสักสามสี่วันเนี่ยมันก็กลับมาเหมือนเดิมคือเราภาวนานะบางครั้งมันก็แยกออกจากกันบางครั้งก็กลับไปรวมกันได้อีก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 ตอนนี่ยไปรักษาตัวผู้รู้ไว้แล้วอย่างงี้ต้องทํำยังไงอนี่ยทําไม่ได้ทําไม่ได้เออดูไปเดี๋ยวมันก็รวมเดี๋ยวมันก็แยก<ไ>อย่าไปปักคลองไว้ไม่ต้องคาดหวังอยไม่ค<ด>าดหวัง<อ>นะคาดหวังไม่ได้คาดหวังยิ่งล้มเหลวเลยอ๋ออะไปอ๋อลวมาทางนี้บ้างตายวันนี้ยังไม่ได้แถวนึงเลยอเ <laughs> มน พรอาจายวันนี้จริงๆดูเหมือนตีแต่จริงๆจิตมันเครียดมาก่อนแล้วไงคะอะไรนะจิตมันมันทำอะไรนะจิตมันเครียดมาก่อนแล้วไงคะแล้วมันเพิ่งโล่งดีแล้วดีแล้วดีแล้วแล้วมันก็เหมือนใช่แต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เออไม่ต้องกลัวว่าไม่ใช่นะมันไม่ใช่หรอกหนูพูดเรื่องจริงค่ะไม่ได้พูดตลกเรื่องจริงอสิหนูบก็พูดเรื่องจริง หนบอกคนข้างหลังหัวร้อนคนที่เข้าไม่ถึงธรรมะนะฟังธรรมะแล้วบางทีเป็นเรื่องตลกอย่างหลวงพ่อพูดนะซื่อเลยนะบางคนฟังแล้วขำใช่ไหมยังบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่หัวเราะเนี่ยเราพูดของแท้ๆเลยนะเนี่ยนีค่ะไม่ใช่ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ทั้งนั้นแหะไอ้ที่ใช่ไม่มีค่ะมันใช่โดยสมมุติตรงเนี้ยมันไม่ใช่วิมุติ ภาวนาก็งบางทีก็จะเห็นว่าจิตนี่มันมันคิดไปเองอย่างนี้นะหลวงพ่อแก้ก็บางทีว่าเหมือนว่าเราก็บังคับมันไม่ได้ก็เลยช่างมั น, ออมนก็ดูไปดีละที่หลวงอ่อทาอยู่ดีแล้วนะใช้ได้เก่งยิ้ม <laughs> อุตสาห์นั่งคิดเดี๋ยวจะพูดเรื่องอะไรเ <laughs> อาภาพไป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 คือมันเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเราเราจะไม่เราคือเรื่องนี้ถ้าเป็ น, ปนถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกแต่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็เลยไม่รู้สึกก็ก็เข้าใจว่ า, อ, วาอ๋อถ้าไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแบบนี้ใช่ค่ะนั่นเป็นตัวอย่างค่ะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเจอว่าแบบมันมันมีเราเรารู้สึกว่าเราเจอเหตุการณ์หนึ่งแล้วเราก็เราไม่ชอบใจพอเห็นความไม่ชอบใจนั้นแล้วเนี่ย สักพักหนึ่งมันรู้สึกเหมือนกับว่าเราเห็นอะ น, นั้นแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปออคลุกอะค่ะดีดีนั่นแหละภาวนาต้องภาวนาเอางกันแหละเราเป็นผู้ดูอยู่ห่างๆไม่เข้าไปคลุกกับมัคนคะไม่มีส่วนได้เสียแค่ดูเฉยๆรู้อยู่ห่างๆสบายสบายอันนี้รู้ถูกรึเปล่ารู้ถูกล ะ, ะดีนะเนี่ยทนทนนะฟังหลวงพ่อพูดนะฟังแล้วเหมือนไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ทนทนไปแล้ววันหนึ่งจิตมันจะเดินของมันเอง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 แต่อย่าขี้เกียจนะเอดูบ่อยๆดีละเนี่ยพอมาถึงวันนี้นัคนภาวนาเป็นนี่มีเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆดีน้องพ่อคะน้องเขามาตั้งแต่ตอนเช่วปิดเทอมแล้วก็จะเปิดเทอมแล้ววันนี้เขาตั้งใจมาวันสุดท้ายแล้วเขาก็คือหมายถึงว่าหลังจากนี้เขาอาจจะห่างวัดไปแต่ว่ารู้สึกว่าเขาเริ่มเข้าใจอะค่ะเขาไม่กล้าถามไม่ต้องถามก็ได้นี่เนาะเอราะเขาพอทําเป็นแล้วใช่ไหมคะ โมโหบ่อยไหมวันหนึ่งบ่อยในลองเล่าอเดี๋ยวหลวงพ่อถามแล้วค่อยตอบหลวงพ่อโมโหบ่อยไหมบ่อยค่ะหรอโลภ บ, บ่อยไหมโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรเงี้ยบางวันก็บ่อยบางวันก็ไม่บ่อยออเห็นไหมตอบเป็นธรรมะอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมมันไม่เที่ยงเห็นไหมมันไม่เท่ากันแต่ละวันใจลอยบ่อยไหมบ่อยค่ะหรอ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 พอใจลอยทีหนึ่งขีดหนึ่งติ๊กไว้ลองดูซิห้านาทีใจลอยกี่ครั้งแล้วอีกวันหนึ่งมาติ๊กใหม่ลองดูนะเ<ะ>นี่ยหลวงพ่อไม่เรียกร้องเยอะนะเรียกร้องหนาทีเท่านั้นคล้ายๆมันนะ้ํามันห้านาทีมีอยู่มันชนิดหนึ่งกราบนมัสการหลวงพ่อครับเพิ่งจะมารู้เพิ่มขึ้นตอนหลังนิดนึงว่าตอนที่เรารู้สึกมัวมัวนะครับ แล้วมันเป็นความทุกอย่างหนึ่งแล้วเราจะใจเราจะดิ้นรนตั้งป้อมนิดหนึ่งเพื่อที่เหมือนกับเราอยากแก้ไขแต่พอเข้าใจว่ามันเป็นความทุกข์เช่นิดหนึ่งคราวนี้เราก็ทําตามสูตรเลยก็คือทุกข์ก็ไม่ต้องแก่ก็นั่งดูไปเอครับดีแล้วก็เลยได้ชอบว่าเอออยากให้มันมัวมาอีกสักทีเราจะได้ศึกษาโลภซะอีก ดีภาวนาดีขึ้นแล้วนะแต่เดิมนะเราไปปรุงแต่งไว้อันหนึ่งตลอดเวลาเลยครับนึกออกแล้วใช่ไหมแล้วไม่ได้ไปนนิ่งอยู่งั้นละครังไว้นิดหนึ่งนะแล้วก็ยิ้มไปเรื่อยๆแท้ข้างในเนี่ยนิ่งๆไว้ขมไว้ปล่อยซะแล้วก็รู้ไปดีขอบคุณครับจิตใจพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งดีแล้วถ้าถูกไม่เอาส่งไปคุณสุนันท์ว่าไง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 น้นเราภาวนาเราเข้ามาเรียนรู้ให้ถึงใจเราให้ได้เลยะเช่นใจมันฟุ้งซา่านจิตมันฟุ้งซ่านเรารู้เลยใจเราไม่ชอบ เ, เรียนให้ถึงใจะอะคุณแตม่มก็พยายามพูด โ, โทยู่เรื่อยๆค่ะหลวงพ่อดีนะจิตมีแรงและจิตมีกําลังกว่าแต่ก่อนรู้สึกไหมรู้สึกตั้งมั่นขึ้นค่ะนั่นแหละจิตมันมีกําลังละตั้งมั่นนะอาคุณสุ น, นันนามะไม่ได้พ้นทุกค น, นร้อนไป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 ที่แพลกๆไม่เป็นนะคะยิ่เข้าใจว่าเออที่เกิดจิตหนักๆหรืออะไรเป็นเพราะว่าไม่ชอบไม่อยากแค่นั้นนะคะแค่ดูไปนะสุดท้ายเลยมันคือความรักตัวเองลึกลงไปถึงสุดขีดคือความรักตัวเองอ่ะใครจะคุยยกมือเชิญ <c oughs> กราบธรรมส ก, การหลวงพ่อค่ะวันนี้มากัน5คนนะคะจะมาขออนุญาต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 คอรู้อยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างเงี้ยเนียไปอีกแล้วรู้สึกไหมเวลาที่จิตมันลงไปนะเราลืมถึงความมีอยู่ของกายลืมความมีอยู่ของจิตใจกายมีอยู่ก็เหมือนไม่มีจิตใจมีเหมือนไม่มีคุณแต้มภาวนาดีมากเลยนะคุณแตม้มคุณแต้มไม่เคยมาได้ขนาดนี้เลยนะเนียบเลยละ่ะดีภาวนาเป็นแล้วคุณแตม้มอะส่งไปนทุกใครจะเอาเชิญหลวงพ่อครับ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 เลิกติดตามความเกิดดับแล้วไม่ต้องไปดูแล้วเกิดดับเพราะดูไม่รู้เรื่องมาทําใจให้สบายก่อนให้จิตใจสบายจิตใจสงบนะพักผ่อนพอจิตใจสงบแล้วมีสตริรู้ว่าจิตสงบนี่ยเริ่มมาดูต่อได้แล้วแล้วผมฝึกมาประมาณปีกว่าแล้วอะไรนะฝึกมาประมาณปีกว่าแล้วนะะไม่ซาพัฒนาไปาถึงไหนนะครับดีสิใช้ได้แล้วนะคุณนะปีกว่ า, าปีนี้ไม่เหมือนปีกลายแล้วรู้สึกไหม แเราต้องมาถามหลวงพ่อทําไมเราก็รู้ของเราเองมันรู้สึกตัวเหมือนไม่พัฒนาเลยครับเราอย่าอยากมันไม่ได้พัฒนาได้เท่าที่ใจเราอยากนะหากละ่ะแต่ถามว่าเรามีพัฒนาการไหมมีมใช่ไหมอย่างแต่ก่อนกิเลสเกินเราไม่เคยเห็นนะหรือเราปฏิบัติเราก็เพ่งลูกเดียวใช่ไหมไปกดข่มตัวเองแข็งแข็งไม่เฉยเฉเดี๋ยว น, นี้ไม่ใช่ล้วเดี๋ยวกิเลสมาเราก็รู้อะไรมาเราก็รู้ หลงก็สั้นลงรู้สึกไหมใจก็โป่งโปงเบาๆมากขึ้นรู้สึกไหมรู้ทั้งนั้นเลยนินะรเราวัดตัวเองได้นะวัดวเองขออนุญาตรายงานครับพวกที่<ค>ยกมือไว้นะาเสียใจด้วยนะ <laughs> <laughs> พวกที่เขาเข้าแถวเนี่ยเข า, ารักษา <laughs> สิทธิเขาอย่างเข้มงวดเขาไม่ยอมปล่อยว่าไงก็มากราบหลวงพ่อเมื่อไหร่คนนี้จะต้องถามอะไรไม่มีอะไรต้องถามแล้ว <laughs>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 ก็เหมือนรู้สึกว่าตัวเองตกลงไปอย่างเงี้ยครับฮะตกเหรอพัฒนาขึ้นนสิแต่ก่อนเนี้ยไปนั่งเฝ้าไว้มาเลยรู้สึกบ่อยอตอนเนี้ยมันรู้สึกเองนะขณะเนี้ยใจไม่เหมือนเมื่อก่อนดูออกไหมใจสบายใจเบาใจโปร่งใจโล่งใจสว่างรู้สึกไหมใจก็สงบด้วยสว่างด้วยสะอาดด้วยดูออกไหมเนี่ยเราภาวนาได้ถูกต้องแล้วครับดีนะเก่ง เข้าขั้นเก่งเลยคนเนี้ยเอาไม่ส่งกันบ้านเอาไม่ต้องเกี่ยงเสียเวลาเวลามีน้อยน้หมดแต่มารยาต์ถ้าคุณก่อนชั้นก่อนคนอื่นเขาจะกว้างเอาก็รู้สึกว่าทั้งมันแปลกตรงที่มันมันแวบหนึ่งมันฟุ้งซ่านแล้วก็มันประคองแล้วก็มันก็สงบแล้วก็มันก็ตื่นเต้นนะจ๊ะนั่นแหละดูไปทั้งหมดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นดูไปแค่นี้พอแล้วะ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 เคยโกรธ<ะ>ไหมโ ก, กรธตลอดเลยใช่ไหมเนี้ยเวลาความโกรธเกิดขึ้นนะเรารู้ว่ามันโกรธ ด, ดูใจเราเห็นใจมันโกรธนะอย่าไปห้ามมัน ม, มันโกรธ ด, ดูซิเธอจะโกรธนานแค่ไหนดูอย่างเงี้ยมันโลภขึ้นมาดูซิเธอจะโลภแค่ไหนรู้จักใจลอยไหมเมอเม่อเ ม, อ, มอบ่อยไหมวันหนึง่งไม่ค่อยค่ะหรื อ, อย่างภาวนามไม่เป็น <c oughs> <laughs> ถ้าภาวนาเป็นนะจะเพราะว่า สวินาที3มวินาทีก็เหมือดทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาให้ดูเป็นตัวอย่างเอาไหมค่ะเนตกใจแล้วรู้สึกไหมตกใจให้รู้ว่าตกใจนะเนี่ยใจหนีไปแล้วรู้สึกไหมเหมือไปแวบหนึ่งแล้วเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยไปอีกแวบหนึ่งแล้วรู้สึกไหมค่ะ เ, เนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมมันจะหนีไปคิดพอจะดูทันไหมหลวงพ่อบอกแล้วพอดูออกไหม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 ถ, ถ, ถ้ารู้ด้วยความเป็นกลางนะความโกรธมันจะดับเองแต่ถ้าอยากให้หายโกรธมันไม่หายอ่ะโกรธ ก, กับแค้นนี่เหมือนกันไหมคะอ่ะโกรธเป็นกิเลสตระกูลเดียวกันนะ <c oughs> คือว่า <c oughs> เป็นกิเลสตระกูลโทสะด้วยกั น, นโกรธเนี่ยมันอยากทําลายล้างเครียดแค้นเห็นไหมอาฆาตจองเวรมีคําหลายคํานะพยาบาทอย่างเงี้ย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 แปลกใจไม่ทราบว่าเกิดอะไรเหมือนกันนะนะคะคือนั่งนั่งอยู่ข่ามกลางคนเยอะๆอะค่ะที่ติดตัวติดๆกันอะนะคะก็อยู่อรู้สึกว่าเสียงเสียงของคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยไม่ไม่เข้ามากระทบข้างในตัวเองก็ช่วงหนึ่งอะค่ะประมาณไม่นานใจมันมีสมาธิขึ้นมาค่ะมันไม่ออกไปสนใจข้างนอกมันรู้สึกทุกอย่างเลือนๆไปหมดเลย มันเข้ามาไม่ถึงใจเราอย่าให้ติดออกมาอยู่ข้างนอกนะแล้วแล้วมันเหมือนว่าเวลาเราจะคิดหรือจะอะไรเนี่ยมันไม่ยอมคิดด้วยอะนั่นแหละมันติดสมาธิเหรอคะเนี่ยขณะเนี้ยมันยังติดออกมาอยู่เลยรู้สึกไม้ใจมันซึมไปใจถึงถึงนะโยนมันทิ้งไปแล้วหนูไม่เคยนั่งสมาธิเป็นนะคะสามาธิมันของง่าย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 แต่เพ่งรั้วเพ่งน้ําไม่หายหรอกยิ่งเพ่งหนักกว่าเก่าก็ได้เราต้องขยับเรื่อยๆเหรอคะหลวงพ่อเออเคลื่อนไหวไว้กรดูกกระดิก๊กอย่าให้อยู่เฉยๆกวาดบ้านไปก็ได้ <c oughs> เคลื่อนไหวไปทั้งวันเอาได้แค่นี้นะโยมเชิญไปกลับบ้านตัวใครตัวมันนะความตายถึงเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าเราจะตายวันนี้เราอยากทําอะไรรีบไปทําซะอย่าไปปล้นธนาคารนะบอกจะสร้างวีรกรรมสักครั้งหนึ่ง